ต่อการเจริพรท่านผู้ในการพยาธิริทยาคุณมหมอเฉลียวคุณหมอสิีเวียงแล้วก็คณะพยาบาลและสาธุรชนทุกท่านการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือแม้แต่ผู้ป่วยทั่วไปก็ตามเนี่ย ลำพังการรักษาดูแลทางร่างกายอย่างเดียวเนี่ยแม้จะมีคุณค่าแต่ก็ยังไม่พอเพราะว่าคนไทยเนี่ยส่วนใหญ่เวลาป่วยกายเนี่ยเขาป่วยใจด้วยป่วยใจในที่หมายถึงความเครียดความมีตกกังวลความกลัวโดยเฉพาะผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยจะมี อารมณ์ความรู้สึกแบบนี้มากหรือเพราะความกลัวกลัวตายกลัวพัดพร่าสูญเสียกลัวเจ็บปวดสารพัดเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องการดูแลผู้ป่วยเนี่ยเราจะมองข้ามเรื่องจิตใิไม่ได้เลย ถ้าเรื่องจิตใจเนี่ยนะจะว่าเป็นเรื่องของพระอย่างเดียวก็ผมไม่ถูกเพราะว่าใจกับกายเนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันถ้าว่าเราจะดูแลรักษาสุขภาพให้ครบถ้วนเนี่ยเราก็ต้องใส่ใจเรื่องของการเยรยวยาจิตใจด้วย ก็กายกับใจเนี่ยสัมพันธ์กันหากว่าป่วยกายแล้วนะมันก็สามารถทำให้ป่วยใจได้และในเดียวกันป่วยใจก็ทำให้ป่วยกายมีคนไข้ คนหนึ่งเนะี่ยมาหาคุณหมอด้วยอาการที่เราอ่อนเคลียไม่มีแรงนะตัวซีดไม่มีแรงขนาดที่ว่าต้องนอนเบรมาก็มาหาคุณหมอเพราะงันคุณหมอท่านเนี่ยคือหมอประเภทภาสี สมัยที่ท่านจะรับราชการอยู่ที่เซลิล่ลาคุณหมอก็สับถามคนไข้ดัวการสัาพักก็หันไปคุยกับเพรสิดเทนเบอกว่าคนไข่คนยีงไม่เป็นอะไรมากมีที่ อ, อักขระทำให้ตัวซีดนะเลือดจางเดี๋ยวให้กินเหล็ก ก็จะหายวันหายคืนผู้จบก็หาไปที่คนไข้บอกว่าคนไข้เนี่ยลุกขึ้นยืนได้เลยนะเรียวแรงกลับมาเลยแล้วก็บอกว่าคุณหมอถ้ามันหายง่ายแบบนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอเปยนี่ละหลักเข็นเปยาไปเลยเรียวแรงกลับมาทันทีที่รู้ว่าไม่เป็นอะไรแค่มี พ, พิธาม ถามด้วยาทำไมมีแค่พีธีการขอได้ถึงไม่มีอนะไรว่าเรื่องของใจแท้แท้นะใจกลัวใจวิตกเป็นโรคลายหรือเปล่าเป็นเลงไหมหรือว่าหรือว่าเป็นโรคเลือดหรือเปล่านะอันนี้ใจนี่ที่เสียนะใจเสียก็ทำให้กายี่แย่ลงคุณหมอก็เล่ายังเล่าถึงอิกกรณีเยตนนะเป็นผู้ชายซึ่ง ก็สุขภาพก็ใช้ได้นะออกกําลังกายเล่นเทนนิสเป็นประจําวันหนึ่งไปตรวจสุขภาพหมอบอกว่าคุณหัวใจรั่วและตกใจมากแล้วหัวใจรั่วที่แก่เข้าใจนัคือหัวใจเป็นรูแล้วก็เวลาหัวใจเต้นเนี่ยเลือดก็ฉูนออกมาอย่างนี้ก็ตายเลจริงๆหมอตั้งใจจะบอกว่าลิ้หัวใจแก่รั่วแต่ลิ้หัวใจรั่วเนี่ยก็ยังสามารถใช้ชีวิตตามปกติได้ออกกําลังกายกเย่งได้ แต่ความที่คุณหมอเนี่ยพูดไว้ครบถ้วนและคนไข้เนี่ยเกิดโมโนโหรือปรุงแต่งขึ้นมาสองสวรรค์เราจกนั้นเนี่ยก็เข้าโรงพยาบาลและต่อมาก็เข้าห้อง i c ซเสร็จแล้วก็ไม่ออกมาจากห้อง ICU ียูได้อีกเลยคือตายเห่นเจงได้ว่าสุขภาพกายหรือความผิดปกติทางกายเนี่ยไม่เท่าไร แต่ว่าพอใจเนี่ยเกิดเสียใจวิตกกังวลนะเพราะว่าเข้าใจผิดก็ดีหรือว่าได้ความผิดพลาดก็ดีก็ทำให้แย่ลงมีชาวบ้านคนหนึ่งอายปปุประมาณสักเจดสิเนี่ยเนะขาเข้าอบอรเพยบาบาลอยู่หลายครั้งไม่รู้วเป็นอะไรแล้ววันหนึ่ง บอกว่าป้าป้าเป็นมะเร็งนะเป็นมะเร็งตับอยู่แล้ไม่เกินสามเดือนคนไข้ใจเสียเลยนะออกจากโรงพยาบาลนี้ก็เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับบอกว่าอยู่แค่สิบสองวันก็เสียชีวิตคำถามคือว่สิบสองวันเนี่ยที่เสียชีวิตนี่เป็นเพราะว่ามะเร็งมันลามรูปรามเร็วลุปรามมันไม่น่าจะลามเร็วนานแั่ แต่ที่ตายเร็วเกินกว่าที่หมอพยากรเนี่ยเพราะอะไรพราใจเห็นได้ว่าเนี่ยพอใจเนี่ยป่วยใจสุดเนี่ยมันก็ชดให้ร่างกายเนี่ยสุดไปด้วยบางทีไม่เป็นอะไรเลยนะกายไม่เป็นอะไรเลยแต่ถ้าตัว่าใจป่วยเนี่ยมันก็ทำให้ป่วยน่นป่วยนี่และ ในกรณีแบบนี้เนี่ยจะไปรักษากายอย่างไรมันก็ไม่หาย <Okay. S 1> คุณวัลเวศวิสิทธ์ก็เล่าเหมือนกันนะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยอายุรประมาณสักวัยกลางคนเนี่ยมาหาหมอด้วยอาการที่ใจสัน่นหายใจไม่เต็มปอดแล้วก็ความดันขึ้นนะปวดหัวมาหาหมอต้้งหลายครั้งนะใบสั่งยาเนี่ยมเปิดนเลย แต่หมอก็ไม่สามารถที่จะเยอยวยาได้ให้ยาไปก็ประเดตยการจนาจะท่านต่อหลังเนี่ยได้ได้หมอคนใหม่หมอก็เลยสงสัยแทนที่จะตรวจอาการก็ถามประวัติก็ได้ความว่าแกมีความตกกังวลที่สามีเนี่ยซึ่งเป็นนายทหารเนี่ยเจ้าชู้ คุณหมอเลยบอกว่าคราวหน้าเนี่ยเอาสามีมาด้วยนะพอแกเอาสามีมานะั่นหน้าตายกระสดชื่อเลยนะและสิ่งที่หมอทำก็คือว่าแนะนำสามีว่าอย่าเจ้าชู้บ้งนะคนไข้ดีขึ้นเลยนะคนไข้ดีนะขึ้นเล ย, ยที่ไม่ได้ให้ยาเลยกับกับเอ่อกับคนไข้เลยนะก็มีความกังวลมีความเครียดเรื่องสามีแล้วให้ยาไปเท่าไหร่ไม่ได้ช่วยเลย สามใจที่สามีพฤติกรรมให้เปลี่ยนแปลงใช่ไหมเพียงแค่เนี่ยคุณหมอแนะนําสามีเนี่ยภรนยานก็ดีใจสามีเปลี่ยนพฤติกรรมหรือยังได้หรือไม่ได้ ย, ไไดยังไม่รู้แต่ว่าเพียงแค่นี้ก็รู้มีความหวังแนะว่าชีวิตครอบครัวจะดีขึ้นนะอาการก็หายไปเป็นเป็นทิ้งเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าสามีเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆเนี่ ย, ยก็คงจะไม่มีอาการเจ็บปวดแบบ น, นั้นอีก มีคนหนึ่งเนี่ยอายุประมาณยี่สิบกว่าจะเป็นจะมีอาการที่เรื้อรังมาหลายปีปวดหัวปวดท้องเรื้อรังความดันขึ้นเป็นประจำก็เหมือนกันหลายมันสักครู่เนี่ยคือว่าหามหมออยู่หลายครั้งก็ไม่หายหมอนี่เกือบจะถอดใจอนยะู่แล้วแล้ววันนึงหมอ ก, ก็เลยถามว่าไหนคุณช่วยเลากวามประทุณฟังหน่อยช่วยเล่าควาคุณให้ฟังหน่อย แกก็เล่ากันไปในคำพราเนะี่ยแล้วก็มีแม่อาแม่เสียมีพี่สาวดูแลเวลาแกพูดถึงพี่สาวเนะี่ยแกจะไปตะโกรนเพราะว่าพี่สาวนี่ไม่ค่อยนน อ, อินทางขังคอร้องสาวเลยและผงจะเอาเปรียบกำแกกันอะไรอย่างอาจจะตาว่าหมอเหนห้ากายยืนเลยหมอก็เลยรู้แล้วว่าแกป่วยก่อนสิง <c oughs> ท, ที่หมอแนะนำคือว่าให้เอาไปพี่สาวซะ เธอไม่พอใจนะคนไข้อหวังว่าหมอจะให้ยาเนี่ยกลับมาแนะนําให้แกให้อภัยมันแค่ก็หายไปเลยผ่านไปหนึ่งปีหมอก็ได้จดหมายจากคนไข้คนค น, นี้ยบอกว่าหายแล้วไอโรที่เป็นเนี่ยหายแล้วเพราะว่าทําตาม ท, ท, ที่หมอนแนะนําคือให้อภัยมันแสดงว่าที่แกเป็นเนี่ยเพราะความโกรธเป็นความโกรธที่สะสมมานานอันนี้เราป่วยใจนะ ถ้าป่วยใจเนี่ยมันไม่เพียงแต่ทําให้ป่วยกายที่มีอยู่แล้วเนี่ยหักขึ้นบางทีไม่ป่วยกายนะแต่ว่ามันกลับทําให้เจ็บป่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการกระจเนี่ยสัมพันธ์กันมากนะด้วยเหตุ น, นี้เนี่ยเวลาเราจะรักษาสุขภาพนะของใครก็ตามเนี่ยเราจะมองแต่เรื่องกายไม่ได้นะเราต้อง สนใจเรื่องของจิตใจด้วยถ้าเราทำให้ใจสบายนะร่างกายมันก็ดีขึ้นนะทำให้ใจสบายร่างกายก็ดีขึ้นอย่างเช่นกรณีที่เล่ามาให้อภัยที่สาวใจสบายพอใจสบายเน้ร่างกายกลับเป็นปกตนะิเรื่องนี้เนี่ยแพทย์ที่เชี่ยวชาญ เก่งๆเนี่ยหลายคนเนี่ยเขาจะรู้มีหมอคนหนึ่งซึ่งได้ชื่อว่าเป็นปรมาจารย์ด้านการแพทย์บางคนจะกับเรียกว่าเป็นบิดาการแพทย์แผนใหม่คือเซอร์ว hmm. ิลเลมออสเลอร์เกี่พูดว่านเนี่ยความเซอร์ของแกในการรักษาคนไข้หลายครั้งเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเพราะฝีมือรหรือทักษะของแกเลยแต่เป็นเพราะมุคลิกและพฤติกรรมของแกต่างหากคือแกเป็นคนที่ คนไข้เนี่ยไว้ใจคนไข้นิรักคนไข้นิัิตาหบางทีเพียงแค่เห็นหน้าหมอคุยกับหมอเนี่ยรู้สึกดีขึ้นนะอันนี้ก็สอดคล้องกับแพทย์คนหนึ่งนะซึ่งเป็นมิตาของหมอคนหนึ่งที่มีชื่อเสียงมากนะวิลเลียมเบลช์เกนผู้กอ่อตั้งหมออะไรคณะแพทย์จอห์นทอบกินส์ในอเมริกา คะแพทย์นี่ต่างมากวิลเลียมแย้วฉันพูดถึงพ่อของตัวเองนะซึ่งเป็นหมอนะว่าเวลาเวลาพ่อเนี่ยเข้ามาในวอร์เนี่ยคนไข้หลา ย, ลยคนรู้สึกดีขึ้นเลยแค่เห็นหน้าหมอรี่สึกดีขึ้นเลยเพราะว่าไว้ใจเลยลว่าหมอ่ะต้องดูแลอย่างดีแล้วก็รู้สึกถึงความเมตตานะความอบอุ่นของหมอพอใจสบายนะ กายมันก็ดีขึ้นไะและเรื่องของใจเนี่ยสำคัญคุณหมอมาราวิาริลาเคยเล่าว่าเจออาจารย์แพทย์คนป่วยเป็นมะเร็งอยสี่สิบกว่าเนี่เป็นมะเร็งแล้วมันก็ลามเป็นกระดูกมันลามจนกระทั่งว่าคนไข้เนี่ยไม่สามารถจะนอนได้ต้องนอนงอกองอขีด ตอนที่คุณหมออามาระเยียงเนี่ยเห็นเงือเนี่ยเป็นเม็ดๆเลยตัวซี่น่าสงสารมากแกก็รำร้องแต่ยาหมอฟีลแต่หมอก็ให้ไม่ได้ก็ให้เต็มที่แะให้ทุกสามชั่วโมงแกอยากได้ทุกชั่วโมงเลยหมอก็ให้ไม่ได้คุณหมอมาล้วก็เลยชวนแกทำสมาธิ แกไม่เคยทําคุณหมอก็เลยแนะนําว่าหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรหายใจเข้าพูดหายใจออกโทรแกก็ลองทําดูปกติเนี่ยขนาดคนคนที่ฝึกใหม่เนี่ยแม่ไม่จะไม่ป่วยอะไรเลยเนี่ยทำห้านาทีก็ยากแล้วคุณหมอก็เลยคิดว่าเนี่ยแกคงทำได้ไม่เกินห้านาทีเพราะปวดมากเขาก็ห้านาทีผ่านไปก็หยุดน้ำ 10นาที20นาทีแล้วก็ยิ่งนั่งก็ยิ่งผ่อนคลายตัวก็เริ่มตรงนั่งหลังตรงนั่งถึง45นาทีพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยรู้สึกสบายความปวดหายไปเยอะเลยน้าตาของใสไอ้เงือที่เป็นเป็นที่หายไปปากเป็นสีชมพูลเล้นะคือเลือดลมเนี่ยกลับมาคนไข้นี่อสัจจันมากนะว่า ว่าเพียงแค่อาศัยสมาธิเนี่ยมันก็ช่วยได้สมาธิที่มันมีประโยชน์นะก็คือว่ามันทําให้ทําให้ลืมความเจ็บสมาธิหมายถึงการที่จิตเราจดจ่อยอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเราเคยหรือเปล่านะตอนเด็กๆตอนเป็นวัยรุ่นนะบางทีนั่งนะทั้งคืนเลยนะแต่ว่าไม่ปวดไม่เมื่อเยเพราะาใจเนี่ยไปจดจ่อยอยู่กับภพ่ในมือนะเล่นกนนารดไม่ตีดำไม่ทั้งคืนเย่ย ไม่ปวดไปเมื่อยเลยไม่ใช่ว่าขาไม่ปวดนะขาปวดแต่ใจไม่รับรู้ใช่ไหมเพราะใจมันสนจมันสนใจอยู่กับไพ่ใจมารับรู้ได้อารมณ์เดียวถ้ามันสนใจกับมันก็ลืมปวดมันแค่นั้นเองเนี่ยกรณีทำสมาธิกเหมือนกันนะมันมีประยช์ข้อแรงคือมันทำให้ลืมปวดพอจิตมันมารับรู้อยู่กับลมหายใจแล้วก็สองเนี่ยพอจิตสงบแล้วเนี่ยมันก็มันก็มีสาบางตัวหลัง สารบำบัตัวเนี่ยช่วยระงับความปวดได้มันมีผลต่อความปวดแบบเดียวกับยาระงับปวดแต่ว่ามันทํางานคนละวิธีก็แล้วคนละพาสเวรแต่มันได้ผลนัมนก็คือมันทําให้ความปวดทุเลาอันนี้ก็มันเป็นการเชื่อ ว, ว่าจิตกับใจ ก, บ ก, กับกายเนี่ยมาสัมพันธ์กันถ้าใจสบายใจสงบนะกายก็ดีขึ้นเดี๋ยวว่าแต่สงบเลยนะเอาแค่เชื่อ เชื่อมีคนแ้ามพียงจะปวดแล้วก็ร้องขอมอร์ฟีนนะร้องขอยารับปวดเนี่ยหมอเบอกให้ไม่ได้ให้เต็มที่นะแล้วแกก็ยังร่ําร้องอยู่นั่นแหละนะแกไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยยาบาลสงสารเลยให้กกแกไปพอแกได้ไปแกก็หลับเลยนะเลิกควงคลางเลแลนะ้วก็หลับเพื่อนเพียร์ลาก็มาตอบว่าให้ไปได้ยังไงหมอสัง่งโรงพยาบาลเขาไม่ได้ให้ไม่ได้ให้มอร์ฟีนนะ ไอวิตามินแต่คนไข้จะเชื่อว่าที่ได้เนี่ยคือยาระงับปวดคือมอร์ฟีนแค่เชื่อนั้นแหละนะใจก็สบายะนะนะอันนี้แล้วก็เราเป็นวลของพรอเซอร์โบนะพวกเราคงรู้จักในราเโบคื อ, อยาทีมคือพอเรามีความเชื่อว่าสิ่งที่ให้เนี่ยนะมันเป็นยามันระงับปวดมันมีฤทธิ์ในการบําบัดได้กายเนี่ยมันก็มันก็ดีขึ้นเลยลเพราะฉะนั้นเนี่ย เห็นได้ว่าให้การที่เราเยียวยาจิตใจหรือว่าช่วยจิตใจให้ดีขึ้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนของการรักษากายด้วยนะงั้นจะจะไปยกหน้าทีน่นี่ให้ให้ให้พระเนี่ยมันก็ไม่สมควรนะเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ได้หรือวิสัยที่เราจะทำได้ และในหลายๆกรณีเนี่ยถึงแม้ว่าเราจะทําอะไรไม่ได้กับร่างกายเขาเลยเพราะว่าอาการเขหนักแล้วก็เป็นผู้ป่วยสุดท้ายแล้วแต่ก็มีสิ่งหนึ่งที่เราทําได้นะก็คือการดูแลทางใจทจริงแม้กระทั่งผู้ป่วยสุดท้ายเนี่ยเราก็ยังมีอะไรที่จะทำให้กับร่างกายเขาได้นเะช่นลดความทุกข์ทรมารถึงแม้จะเยียวยาไม่ได้นะไม่สามารถจะเพียวได้แต่แคร์ได้ ไม่สามารถจะเยะียวไม่สามารถจะรักษาใหหายได้แต่ว่าช่วยทําให้ใคลายความทุกข์ทรมานของกายได้แต่ถึงแม้เราจะไม่ไม่ทําตรงนั้นเลยนะหรือว่ามองข้ามตรงนั้นไปมันก็อีกอย่างที่เราทนะําได้ก็คือการดูแลทางจิตใ จ, จาการดูแลทางจิตใจมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยนะเป็นมะเร็งแล้วก็ หมอก็อยายากรักษาแต่ว่าพอจุดหนึ่งเนี่ยคนไข้ก็อยู่ในรัุดท้ายหมอก็ไม่รู้ว่าจะรักษาอย่างไรนะแล้วหมอก็เลยหายไปเลยไม่ค่อยมามาหาคนไข้กับประเดียวดาวแล้วก็ไปจนกระทั่งคนไข้เสียชีวิตแล้วต่อมาเนี่ยก็มีการเอาประเด็น ของคนไข้คนนี้เนี่ยขึ้นมาในคอนเฟรชช์นะก็เชิญแม่ของคนไข้เนี่ยผู้ตายเนี่ยมาร่วมมาร่วมประชุมด้วยแม่เขาก็พูดว่าเนี่ยเขาก็ก็เข้าใจนะว่ากรณีของลูกเขาเนี่ยไม่สามารถจะรักษาหายได้ อันนี้เข้าใจดีแต่ว่าไม่เข้าใจว่าทำไมเนี่ยหมอเนี่ยถึงอ่ถึงวางระยะห่างกับคนไข้พอรว่าคนไข้อยู่ในในระยะสุดท้ายเนี่ยรักษาไม่ได้หมอก็เหมือนกับจะว่าเพินทานงกับคนไข้คนนึงหมอคนนั้นก็อยู่ในที่ประชุมด้วยก็ที่บายว่าในเมื่อคนไข้คนนี้เนี่ยรักษาไม่ได้ แต่ว่ายังมีคนไข้มากมายเนี่ยที่เขายังพอจะทำอะไรได้เขาก็เลยอยากจะให้เวลาที่เขามีเลงน้อยนิดเนี่ยเอามาใช้ก yeah, ับคนไข้ที่ยังมีความหวังว่าจะหายก็มีเหตุผลนะเพราะว่าหมอเนี่ยต้องดูแลคนไข้เยอะเขาคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าจะเอาเวลาไปให้กับคนไข้ที่ไม่มีทางหายเนี่ยมันเสียเวลา เอาเวลาเนี่ยไปช่วยคนไข้ที่มีความวังดีกว่าแม่คนแม่ผูแม่คนไข้แม่ผู้ตายหมอก็เห็นใจนะ้าใจแต่สิ่งที่ลูกชายเขาต้องการเนี่ยไม่ได้อยากจะให้คนหมอเนี่ยตักสาย ห, หายเทียนแค่ได้เห็นรอยยิ้มของหมอได้คุยหมอกับหมอเนี่ยเขาก็มีความสุขละถ้าคนไข้บางทีเขาไมไ่ต้องการอะไรก็ต้องการแค่รอยยิ้มของหมอเขาต้องการความใส่ใจของหมอ เท่าันเองซึ่งอนมามัยที่วันนี้เนี่ยคือสิ่งที่หมอและพยาบาลให้กับคนไข้ได้มันไม่ต้องใช้ความสามารถอะไรเลยนะแต่หมอเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่านี่ยนี่คือสิ่งที่คนไข้ต้องการด้วยเพราะหมอไปคิดแต่เรื่องของการเยียวยาทางกายหมอไม่ได้ดึกว่าเรื่องของใจก็สำคัญเพียงแค่ยินให้คนไข้สัตยนาคนไข้เนี่ยเพ่าก็มีความสุข ถ้าเราประทับใจเป็นหมอท่านหนึ่งนะเป็นหมอที่เว่วยแถลงตอนทีเป็นหมอที่ช่วยแถลงนี่เป็นหมอหนุ่มตอนที่คุณหมอผู้ที่เล่าเนี่ยก็มาอยู่ในจังหวัดนะมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยเป็นคนลุงแกเป็นมะเร็งปอดตอนนั้นหมอนี่ก็ไม่ได้ช่วยยังไงได้ลนะ แต่วหมอ ก, ก็ดูแลคนไข้ตลอดเวลาจนกรทัางเกิดความสำารที่ดีต้องกันชาววันนึ่งก็ไปหาคนไข้คนไข้บอกว่าหมอวันนี้อยากไปไหนนะหมอช่วยอยู่ที่โรงพยงาบาลหมอก็รับปากตอนบ่ายไปาสองลูกชายของคนไข้นี้ก็มาหาเขอบอกหมอพ่อกำลังจะตาย ก็ อ, อยากให้หมอเนี่ยไปยืนอยู่ข้างเตียงไปเป็นเพื่อนหมอก็ไปแล้วก็ไปอยู่กับเป็นเพื่อนคนไข้นคนไข้เสียชีวิตหมอคนนั้นบอกว่าเป็นความประทับใจมากรู้สึกว่าคนไข้ให้เกียรติคนไข้จะตายอยู่แล้วเนี่ยยังอยากจะเห็นหมออยู่ข้างๆหมอก็ได้ทําอะไร ไม่ไทํมาตรการอะไรไม่ได้ให้ยาเพียงแค่อยู่เป็นเพื่อนี่ก็ช่วยคนไทยได้เยอะช่วยเขาอบอุ่นใจและช่วยเขาตายสงบ น, นี่คือสิ่งที่หมอรพยาาบลยังทําได้ถึงแม้ว่าจะทำการเนี่ยทําอะไรไม่ได้แล้วอันเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราอย่ามองข้ามบางีคนไข้ก็ไม่ต้องการไม่ต้องได้ไม่ได้ต้องการความสามารถอะไรจัง เภทยาไม่ต้องการตัง ก, การแค่ต้องการความเป็นเครื่องเพราะฉะนั้นเห็นได้ว่าแล้วกระทั่งในกรณีคนไข้ที่หมดหวังหมอและเภทยาเนี่ยเก็ยังทาอะไรได้อีกมากมายยิ่งอยู่ใม่สามารถต่อชีวิตเขได้ไม่สามารถยื้อชีวิตเขได้แต่ก็สามารถจะช่วยทําเขาไปสงบได้คุณมอสุมารีนิมา น, นี่ เ, นเป็นเป็นหมอ เชี่ยวชาญด้นลนไปนะที่ศิีน่าตอนที่ท่านเสียจีิตเป็นแล้วเป็นผู้ที่ให้ความสําคัญในเรื่องการให้แบบประคับประคองมากวันหนึ่งเนี่ยพยาบาลมารายงานว่ามีคนไข้คนหะนึงอายุเจ็ดสิบไตวายฉับพลันแล้วก็อวัยองต่างๆตัวแย่นะไม่เจนะ็ดสิบนั่นมากกนนะนะาว่านั้นอาจจะแปดสิบนะอวัยวต่างๆนี่ก็แย่นะ แต่ลูกเนี่ยบอกพยาบาลว่าทำเต็มที่ถ้าแม่เป็นอะไรหัวใจหยุดเต้นก็ให้ความคุณหมอเนี่ยก็ดูแลคนไข้คนนี้ด้วยเพราะว่าคนไข้เขาต้องการล้างไตคุณหมอก็บอกว่าขอขอคุยกับลูกสามเลยมีลูกสามลูกสี่คนแล้วก็อธิบายว่าในกรณีของแม่เนี่ย แม้จะฟอกแม้จะฟอกเรือดล้างไตเนี่ยมันก็ไม่ทำให้อะไรดีขึ้นแถมเปน็นอันตรายกว่าคนไทยเลยเพราะว่าเอาว้วัฒน์อื่นเนี่ยก็ไม่ดีแล้วแล้วคุณหมอก็แนะนำเพิ่มเติมนะว่าคุณจะเชื่อเรื่องจิตสุดท้ายหรือไม่ ก, ก็ตามเนี่ยแต่ว่าแม่เนตอนนี้ต้องการความสงบใจ ถ้าลูกช่วยให้แม่ใจสงบด้วย ก, การพูดเรื่องบุญกุศลพูดถึง ส, สิ่งที่แม่จะมีความภาคภูมิใจสิ่งที่ทำให้แม่มีความสุขถ้าแม่สงกแล้วก็ไปตอนนั้นก็จะไปดีพอพูดตท่นี้แหละลูกสาวที่ตายเป็นปรกายเลยนะเพราะไม่เคยได้ยินเรื่องแบบนี้จากหมอหรือไม่เคยได้ยินจากใครเลยขอตัวไปหาแม่ ก็คงไปคุยกับแม่ตามที่หมอแนะนาแม่โวมาแล้วแต่คงจะเห็นอาการตอบสนองของแม่จะดีขึ้นออกมาจากห้องก็บอกเอเานว่าเข้าใจแล้วที่คุณหมอพูดท่าแม่เป็นอะไรไม่ต้องฟังาคือความเข้าใจของลูกเนี่ยคิดว่าในกรณีของแม่เนี่ยนะซึ่งรลยตายเนี่ย จะต้องทําเต็มที่นะกับร่างกายและคิดว่านี่คือสิ่งที่ดีทสุดที่จะมอบให้กับแม่ได้เป็นสิ่งที่ดีทสุดที่ลูกจะมอบให้กับแม่และเป็นสิ่งที่ลูกกับตันยูควรจะทําแต่ว่าไม่ได้เขาไม่เคยรู้มื่อก่อนเลยว่ามันยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะดีกว่าที่จ้ําแล้วก็เป็นสิ่งที่คนไทยต้องการเป็นสิ่งที่แม่ต้องการคือการช่วยให้เขาใจสงบในกรณีอย่างนี้เนี่ยนะ ในการไปทำอะไรกับร่างกายเนี่ยโดยเพราะการเพียงรีชื้นเนี่ยมันมีอะไรทำให้ทุกทรมานแต่ว่าถ้าทำให้หันมาดูแลเรื่องจิตใจแผดเดีกันก็คอยระ ง, งับความทุกขนะ์ทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดให้ความสุขสบายพอสมควร น, นะอันนั้นก็เป็นเรื่องทางกายแต่เรื่องทางใจเนี่ยก็ควรให้ความสาคัญด้วย เรื่องนี้ก็เข้าใจว่าจบลงที่ว่าแม่กขะตายสงกซึ่งถ้าเป็นกรณีอื่นอาจจะไม่เป็นเช่นนั้นเพราะถ้ายืดไปนะปังหัวใจเจาะค อ, อใส่ท่อก็อาจจะอาจจะยังอยู่แต่ว่ามีความเจ็บปวดมีความทุรนทุรายส่วนลูกก็ทุกทรมานที่เห็นแม่ต้องอ อยู่ในภาะวะที่มีถูกเขเวศนาแบบนัน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการรักษาจิตใจเนี่ยนะนเป็นสิ่งที่ควรจะทำควบคู่ไปกับการรักษากายไม่ว่าในกรณีใดก็ตามตั้งแต่คนไข้ที่ป่วยแบบธรรมดาธรรมดาหรือคนไข้อา ย, อ ย, ายสุดท้าย ยล่งในสุดท้ายแล้วนี่ยิต้องให้ความสําคัญเขามากขึ้นให้ความสําคัญเรืจิตใจมากขึ้นซึ่งนั่นก็หมายความว่าถ้าเราดูแลจิตใจเขาดีเนี่ยแม้กายก็จะแตกต่านะแต่ว่าใจก็ไปสุบได้และเราเชื่อที่ก็น่าจเป็นหน้าที่หนึ่งของบุคลากรทางการแพทย์ก็คือว่าหากว่าไม่สามารถจะช่วยชีวิตเขได้ไม่สามารถทำให้เขาเป็นปกติได้ เรามีหน้าที่อีกที่ช่วยเข้าไปสงบรูอันนี้มันไม่ได้เป็นหน้าที่ของแพทย์อของหม อ, อไม่ใช่หน้าที่ของพราเท่านะั้นแต่มันควรเป็นหน้าที่ของแพทย์และพยาบาลด้วยอนาว่าคิดว่า น, น่าจะเป็นนิยามหน้าที่และความสําเร็จของแพทย์และพยาบาลคือไม่เพียงแค่ช่วยชีวิตแม้ช่วยชีิตไม่ได้แต่ว่ารอที่เขาป่วย เขาอยู่อย่างมีคุณภาพและเมื่อเขาตายเขาไปสมบเราแน่าะถือว่านี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นเครื่องชี้วัดความสำเร็จของหมอและพยาบาลเหมือนกันถ้าเราคิดว่าความสำเร็จของหมอและพยาบาลคือการที่ทำให้เขาไม่ตายอันนี้เราจะติดหวังเพราะว่าคนทุกคนในสุดก็ต้องตาย แต่ว่าจะตายจากมือเราหรือไม่ถ้าเราที่ยามว่าความสุัทคือการที่คนไข้ไม่ตายเราก็จะปิดหวังอยู่เรื่อยเพราะคนคไข้หลายคนที่มาถึงเราเนี่ยเขาก็อยู่ในสภาพที่แย่แล้วหรือป่วยด้วยโรคที่มานรักษาไม่หายด้วยเทคโนโลยีที่มีอยู่แต่ถ้าเราถือมีนิยามว่าเออถ้าว่าแม้จะรักษาไม่หายแต่ว่าตอนที่เพิ่อยู่ยังมีลมหายใจ มีคุณภาพชีวิตที่ดนะีและเขาเมื่อเขาตายเนีาไปสงบนะอัตมาว่าเราจะกบความสนันดตเรามีโอกาสที่จะพบกับความสนันดุได้ทุกกรณีประเด็ น, ะ เ, นเรื่องการแพทย์แบบพรับครองเนี่เป็นสิ่งสาคัญนะเพราะว่ามันเป็นการมองมุมใหม่ในการช่วยผู้ป่วย คือไม่ได้คิดแต่จะช่วยเขาอยู่รอดหรือว่าช่วยยื้อชีวิตให้ยาวนานแต่ว่าช่วยทำให้เขาเนี่ยหากว่าจะต้องตายก็ตายอย่างสมบและก่อนที่จะตายก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีตอนนี้มันมีการศึกษาวิจัยมากทีเดียวนะที่พบว่าให้การแพทย์ ป, ประประคองเนี่ยมันสามารถที่จะส่งผลดีต่อผู้ป่วยได้ในอเมริกาเนี่ย มันมีการพบว่ามีการวิจัยนะอย่างจริงจังมากเลยอย่างเช่นการวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยเขาทำกับคนไข้และสุดท้ายที่เป็นมะเร็งนา น, นาชนิดกลุ่มหนึ่งเนี่ยนะมีการยืดด้วยทุกวิธีการต่างๆรวมทั้ ง, งการปั้มหัวใจการกระตุ้นหัวใจนะและการใช้เครื่องช่วยหายใจ ซึ่งส่วนใหญ่ควกนี้ก็อยู่ในห้องไอซียูกับคนแค่กลุ่มนึงเนี่ยซึ่งไม่รับมาประการแบบนี้ก็คือว่าไม่ยื้อแล้ ว, ค, ลวคือพร้อมรับความตาย mm. ก็ขอรับการรักษาแบบปรกคับประคองคือว่าช่วยลดความทุกข์ทรมานนะตามอาการโดยอาจจะอยู่ที่โรงพยาบาลก็ได้ไปอยู่ที่ฮอสพิทัลคื อ, เ, อเรียกว่าสถานบำบัดผู้ป่วยสุดท้ายก็ได้ แล้วก็พบว่าระยะอาทิตย์สุดท้ายของคนกลุ่มแรกเนี่ยซึ่งยืดดุวิธีเนี่ยมีคุณภาพชีวิตย่ำแย่กว่ากลุ่มที่สองอาทิตย์สุดท้ายเนี่ยแล้วก็พบว่ากลุ่มที่สองเนี่ยมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าช่วยตัวเองได้มากกว่ามีความเจ็บปวดน้อยกว่าแล้วก็มีปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ดีกว่า ตอที่กลุ่มแรกนี่นะใช้เงินเยอะใช้เทคโนโลยีนานาชนิดนะแต่ว่าผลในทางคุณภาพชีวิตเนี่ยรวมทั้งความที่ไม่ไม่เจ็บปวดไม่มีทุกขเวทนามากไอ้กลุ่มที่สองนี่กลับดีกว่าและมีโรงพยาบาลหนึ่งโรงพยาบาลมสซาชูเซตสเนี่ยเขาศึก ษ, ษาพพกเรื่งพเป่อยมะเร็งปอดนะสองกลุ่ม การทกลุ่มแรกนี่ก็ยืนสารพัดไอ้กลุ่มที่สองเนี่ยก็ใช้การแพทแบบปกบอคอรองกาผู้ที่สมัครใจหม น, นะไ ม, ม่ไม่ใช่ว่าบังคัปบปพกล่ว่ากลุ่มที่สองเนี่ยซึ่งไม่เพียงแต่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสอดคล้องกับวิจัยที่พูดมาสักครู่แล้วเนี่ยเกล่ว่าส่วนใหญ่มีชีวิตที่ยืนยาวกว่าที่าม ยืนยาวประมาณยห้าเซนเมื่อเทียบกับกลุ่มที่หนึ่งซึ่งพยายามยื้อชีวิตนะไอ้กลุ่มที่สองไม่ต้องการยื้อชีวิตกลับมีชีวิตที่ยืนยาว ก, กว่าและคุณภาพชีวิตดีกว่าและที่มันน่าสนใจอย่างนี้นะคือว่าญาติของผู้ป่วยเนี่ยที่ตายหลังจากที่ยือ้อนะภายในหกเดือนเนี่ย ญาตผู้ป่วยมีโอกาสจะเป็นโรคซึมเศร้าเป็นสามเท่าเมื่อเทียกับยาตผู้ป่วยของกลุกก่มที่สองที่ไม่ไม่ใช่การยืดแต่ว่าใช้การแพทย์ประคัแบประคองทำไมถึงเป็นโศูซึมเศร้าก็อยา่างนึงเพราะว่าหนึ่งมีความหวังว่าจะหายมีความหวังว่าจะไม่ตายพอคนไข้ตายก็ผิดหวังคือไม่ได้ทําใจเท่าไหสองเป็นคนไข้เนี่ยทุกทรมาร มัเผือไม่ตายดีด้วยก็เลยเกิดการซึมเศรอลุสึกผิดหรือเปล่าว่าเราเราทํานี้ก่อคนไข้เรามีส่วนทาให้เขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าส่วนจากกลุ่มที่สองเนี่ยทาใจไว้แล้วเพราะญาติเพราะตัวคนไข้ก็ทําใจถึงมาใช้วิธีการแพทยแบบประคับประคองหรือทำใจว่าจะตายก็ไม่ที่จะยือ้อและพอทําใจเนี่ยนะพอใจผ่อนคลายมันก็มีส่วนทาให้ใจิตใจดีก็เลยมีชีวิตยืนยาวขึ้นอีกหน่อย ส่วนญาติเองก็ทําใจเหมือนกันเพราะั้นพอพอคนไข้ตายก็ไม่ได้ทุระทมมากแล้ยิ่งเห็นคนไข้ซึ่งเป็นคนที่ตัวเองรักเนี่ยตายแบบสงบเนี่ยให้ความที่จะเศร้าส้มเนี่ยมันก็มีน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยออตอนนี้เนี่ยจะเรียกว่ามันเป็นกระแสของโลกก็ได้นะที่ ยอมรับความจริงแล้วว่าโรคหลายชนิดเนี่ยความเจ็บป่วยหลายอย่างเนี่ยมันไม่สามารถจะยือ้อไม่สามารถจะรักษาให้หายได้ยื้อได้แต่รักษาให้หายไม่ได้แล้วก็เรื่องที่จะไม่ยื้อนะแต่ว่าช่วยทำให้คนไข้เนี่ยจะยะับปัญหาสงบโดยที่มีความทุกข์ทรมานน้อยมีคุณภาพชีวิตดีแล้วก็ก็ตายอย่างไม่ทุรนทุรายซึ่งก็สอดคล้องกับแนวคิดธรรมุธศาสนาที่ว่า เรื่องการตายดีตายดีกคือว่าตายโดยที่ไม่ไม่หลงสติ ต, ตายอย่างมีสติไม่ทุรนทุรายซึ่งเป็นสิ่งที่ทําได้ไม่ว่าจะเจ็บป่วยในโกรกอะไรก็ตามชีวิตที่ดีในพะุทธศาสนาเนี่ยคือไม่ได้องไปในชีวที่ยืนยาวอายุสั้นไปได้แต่ว่าถ้าเป็นชีวิตที่ทําคุณงาความดีสร้างบุญสร้างบุศล อยู่อย่างไม่ประมาททำประโยชน์ตนประโยชท่านแม่อายุสั้นเป็นแค่หนุ่งสาระตายก็ยือเเป็นชีวิตที่ดีส่วนตายดีก็ไม่ได้จำกัดว่าตายที่ไหนเมื่ อ, อไรตายด้วยเหตุอะไรนะจะตายด้วยอุบัติเหตุก็ได้นะแต่ว่าจิตเนี่ยนะสงบไม่ทุรนทุราย และิถ้ามีความรู้ตัวได้ก็ยิ่งดีและถึงขั้นที่เรียกว่าและเราเชื่อได้ว่าตายดียังหมายถึงว่าตายไปแล้วเนี่ยไปสู่สุคติตายดีพรพุทธศาสนาจะมองสองช่วงนะคือก่อนตายเนี่ยไม่ทุรนทุรายมีสติแล้วก็ตายปุ๊บเนี่ยก็ไปดีไปสู่สุคติแต่ว่าอันหลังเนี่ยเราไม่รู้ และบางคนก็ไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรแต่น้อยเนี่ยก็พยายามทำให้ช่วงที่เขามีลมหายใจก่อนตายเนี่ย mm. เขาไม่ทุรนทุรายนะ mm. เขาสามารถจะมีสติประคองใจอยู่ได้ในระดับหนึ่งคร mm. าวนี้ถามว่ามันมีวิธีการอย่างไรบ้างในการที่จะทำให้ตายดีน่ mm. นองจากที่พูดมา ในหลัมุตาสนาเนี่ยก็จะก็จะมีแนวทาง น, นะในการช่วยทำให้เมื่อจะต้องตายนะก็ตายอยสงบแล้วก็ตายดีแต่ก่อนอื่นเนี่ยจะทำอย่างนั้นได้เนี่ยมันต้องอาศัยใจของผู้ดูแลไม่ว่าจะเป็นหมอไม่ว่าเป็นพยาบาลหรือว่าเจ้า สิ่งนั่นคือความรักความรักความเมตตาแล้วความรักเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จะช่วยทำให้เรียกว่าชุบชูกาลังใจแล้วก็ช่วยเยียวยาจิตใจของผู้คนได้เพราะคนที่เมื่อใกล้จะตายเนี่ยเขามีความเ็ามีความกลัวอะไรที่จะช่วยทำให้ความกลัวบรรทาบาบาได้ความรักเด็กที่กลัวเนี่ยถ้าได้อยู่ใกล้กับแม่ เขาก็จะรู้สึกว่าหายกลัวคนค่าเรียงสุดท้ายเนี่ยก็กลัวตายบางคนไม่ใช่กลัวตายแต่กลัวตายคนเดียวกลัวตายเวลากลางคืนกลางคืนจะไม่ยอมนอนเพราะว่าถ้านอนแล้วอาจจะไม่ตื่นและตอนนั้นก็อาจจะตายคนเดียวก็ได้เแล้วคนอื่นก็นอนด้วยหรือว่าคนอื่นเขาก็ไปอยู่ออตัวสารพัดความรักของ ผู้ดูแลนี่คัญเมตตาซึ่งสแสดงออกได้หลายอย่างนะสแสดงออกด้วยการาด้วยการให้กำลังใจให้ความหวังให้ให้ความมั่นใจว่าจะอยู่ดูแลเขาหรือว่าการสัมผัส ด, ด้วยเมตตาสัมผัส ด, ด้วยเมตตาเนี่ยนะมันมีพลังนะคุณหมอมาราเคยเล่าถึงคนไข้คนหนึ่งนะ เรียกว่าตายวายชัดพันเป็นตายเท่ากันแต่ในสุดคนไข้ตคนนี้เนี่ยก็รอดมาได้แต่ช่วงที่ช่วงที่กําลังอยู่ในช่วงเุณเรื่วันต่อนี่มันทรมานนะตอนที่คนไเหล่ น, น, นั้นโค ม, ม่าเนี่ยมันจะมีความรู้สึกโกรธกทรมานมากและมีความรู้สึกหลายครั้งว่าจิตเนี่ยมันจะหลุดจากล่างไปให้ได้ จะบ่อยครั้งจะรู้สวเบียอะไรมาสัมผัสตัวแล้วก็มีพลังที่ดึงจิตเนี่ยให้มารวมกับกายใหม่แกไม่รู้คืออะไรจกนกระทั่งเมื่อรู้สึกตัวขึ้นมานะซึ่งตอนนั้นก็คือหมายว่าร อ, อดพ้นจากคามโคลมาก็เลยรู้ว่ามีหมอคนหนึ่งเนี่ยเป็นหมอหน้าเพียบานเวลาขึ้นเวเนี่ยก็จะมาให้กำลังใจทุกเตียงเลยคนไข้ทุกเตียง คนไข้คนไหนที่โคมา่าหมอก็จะอาพยบาลก็จะสัมผัสตัวแผ่วเบาแล้วก็แผ่เมตตาแล้วก็ตั้งจิตปรารถนาว่าคอยให้หายโวยคอยใ ห, ใ ห, ให้ไม่มีความทุกข์ไม่มีความทรมานให้สัมผัส น, นั้นแหละที่เพยาบาลเนี่ยแต่ที่ตัวคนไข้เนี่ยมันมีพลังที่คนไข้รับรู้ได้คนไข้ผมมา่า จนกระทั่งสามารถที่จะกลับมารู้สึกตัวแต่ว่าเรื่องที่มันมีต่อนะเพราะว่าคนไข้เ้าเนี่ยมันมีบางช่วงที่จะตายให้ได้เลยแต่ว่าพยายามที่จะไม่ตายแล้วมันจะเกิดอาการแบบนี้ตอนตอนเด็กแคพยายามที่จะไม่ตายพยายามที่จะสู้เพื่อที่จะอยู่ใหถึงตอนเช้า เพื่อที่จะบอกพยาบาลหัวหน้าพยาบาลคนนั้นว่าถ้าผมตายมันไม่ใช่ความผิดงคุณนะแต่ผมไม่ไหวจริงๆแกก็ทนอยู่ถึงเช้าพอถึงตอนเช้าพอพยาบาลมาแกก็ลืมพูดแล้วพอตกค่ำแกก็เจอทุกขเวชนาอย่างหนักแล้วแกก็พยายามที่จะสู้นะเพื่อที่จะได้อยู่ถึงเช้าแล้วก็บอกพยาบาลคนนั้นว่าถ้าผมตายเนี่ยมันเป็นเพราะผมไม่ไหว มไม่ใช่ความเพียรขอคุณเลยคือแกเห็นแกเห็นเห็นใจเพยาบาลมาก เ, เพราะพยาบาลเนี่ยมีในตาแกแต่ว่าความเห็นใจของแกนี่แหละที่ทําให้แกยังสามารถที่จะทนกับความทุกข์ทรมานได้คือถ้าไม่มีเพยาบาลคนนั้นแกแกเพื่อแกมังตายไปแล้วเพราะว่าแกไรู้ว่าจะจะอยู่ไปทําไมเพราะมันทรมานาจริงๆแต่แกพยายามที่จะสู้เพื่อจี่จะบอกให้เพียรบาลคนนั้ น, นรู้ว่ามันไม่ใช่ความผพีของเธอ เรื่อน่าสนใจนะแต่มันชื่อในหน้าที่ปด็นี้คือว่าสัมผัสที่แต่ไม่ได้เมตตาเนี่ยมันช่วยคนไข้แน่เลยมันส่งผลต่อจิตใจบางทีเมตตาของคนไข้เมตตาพยาบาลเนี่ยอาจจะแสดงออกง่ายๆจากการที่มีเวลาให้กับคนไข้ก็ได้มีคนไข้เลยก็ปวด น, นะแกเป็นมะเร็งต้นนมแล้วก็ปวดมากนะท่าที่ผ่านการฉายฉายผ่าน าการการฉีดเคมีแต่หมอนรงพยาบาลสังเกตเวลากันเดินเนะี่ยเดินเหมือนคนปกติแล้ววันหนึ่งโรงพยบาลก็มานั่งคุยกับคนไข้นั่งคุยเป็นชั่วโมงนะนั่งคุยเป็นชั่วโมงและสิ่งที่คนไข้พูดเนี่ยก็พูดวนเวียนยอยู่กับเรื่องเดียวคือเธอโกรธเธอในเรื่องตัณใจลูกและสามีที่ไม่ไปเยี่ยมเธอเ สิ่งที่ียาําลทำคือฟังไม่สอดไม่แท่งไม่ขัดแล้วก็ไม่ได้แนะนำอะไรด้วยแต่ละแก่ที่คนไข้พูดจบเนี่ยคนไข่รู้สึกวความปวดมันทุกเราเมันแสดงว่ารัทราบาความปวดของเธอก้อนใหญ่ ก, ก้อนหนึ่งเี่นั้ น, นนะมันคือความโกรกมัเป็นความทุกข์ใจแต่พอได้ระบาย ใจก็สบายเพราะใจสบายเนี่ยความปวดก็ทุเลานะ น, นี้คือสิ่งที่พยาบาลช่วยคนไข้เป็นการช่วยยืมยาทางใจแบบหนึ่งแล้วส่งผลต่อกายพยาบาลทำยังไงได้พยาบาลทำยาาังได้เพราะมีเมตตาให้เวลากับคนไข้เป็นชั่วโมงนะปกติพยาบาลไม่เคยมีเวลานะแต่การความเมตตาแสดงออกนะ ไม่ใช่ด้วยการพูดไพเราอย่างเดียวนะแต่ว่าการให้เวลาจริงๆคำว่าความรักเนี่ยมันมีคนพูดว่าความรักเนี่ยเขียนว่าสลเอวอลรออาความรักที่ความรักท่านรักจริงนะก็คือการมีเวลาให้แม่รักลูกเนะ่ยจงจริงๆนะคือมีเวลาให้ลูกไม่ใช่ให้แต่ของให้แต่เงินแต่ให้เวลาและนั่นแหละคือสิ่งที่แสดงความรักอย่างแท้จริง เด็กที่ได้แต่ของนะได้แต่ของเล่นได้เงินจากพ่อแม่แต่ไม่เคยได้รับความไม่เคยได้เวลาจากพ่อแม่ลึกๆเขาจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่ถ้าคนไข้กเหมือนกันนะคนไข้เนี่ยเมื่อเขารู้สึกว่าพยาบาลให้เวลาเขาหมอให้เวลาเขาเ้าจะรู้สึกในความได้ถึความเมตตา ความเมตตาเนี่ยสามารถจะช่วยทําให้คนไข้เนี่ยรู้สึกดีขึ้นได้อย่างน้อยเขาได้ระบายอันนี้เมื่อคนไข้เนี่ยเมื่อเมื่อคนไข้สื่ถึงเมตตาแล้วเนี่ยนะใจก็ดีดีขึ้นกายกด็ดีขึ้นด้วยล่อยคังความทุกข์ของเขาเนี่ยดูเหมือนเป็นทุกข์กายแต่ที่จริงมันเป็นความทุกข์ใจมีหมอฝึกมาคนหนึงเล่า ว, ว่าเคยไปขึ้นบ่ดนนะ แล้วก็ดึกๆเลยนะกลางดึกได้เสียงขย่าเตียงเขาก็เป็นเสียงเนี่ยมาจากยายผมมีชื่อยายเตียงจะเป็นมะเร็งปอดและต้องมัดมั ด, ม, ดมัดมือแกเไว้กับขอบเตียงเพราะไม่งั้นแกจะดึงท่อแเขย่เยเาเตียงดังเลยนะกลางดึกเพียบบาลน้าหมอก็เลยไปถามแม่ เ, เตียงว่า หายใจไม่สะดวกเลยแกก็สายหัวเหนื่อยเลยแกก็สายหัวทราบว่าแกไปเหยียบนมือที่ถูกมาดก็เลยถามว่ายายลำคานใช่ไหมที่ถูกมัดมือใช่ยายอยากให้ถอดใช่ไหมรู้ถอดให้ไม่ได้เลยยายเพราะถ้าถอดแล้วเนี่ยเด็กยายก็ไปดึงสายออก แล้วต้องสสยเข้าไปใหม่มันเจ็บนะเจ็ใช่ไหมยายแกก็ายามนงั้นหนูใส่ให้หนูถอดพายไม่ได้หรอกหนูแก้แบบแก้เชือกพายมัดมือไม่ได้หรอกแกก็คยัยเตียงไม่พอใจหมอไ่รู้ทำยังไงแล้วก็เลยปุ่มมือแกไว้แกก็ยอมให้ปุ่มแนตะ่แกก็นิ่งเสร็จแล้ว หมอก็เกิดโสตากับยายเตียงเห็นเก้าตาบางอย่างที่มันมันไม่มันไ ม, มน่ปกติก็เลยถามว่ายายเหนาใช่ไหมยายเตียงเฉ่เหนาไม่มีใครไปที่แนงกลถ้าหนูอยู่เป็นเพื่อนใายไหมท่นนี้แหละแกเรื่ อ, ของขยับเตียงเลย แสดงว่าอะไรแสดงว่าที่แกขยับเตียงไม่ใช่แกรำคาญตรง น, นี้ไม่ได้รำคาญมือไม่ได้รำคาญสายยางแต่มันความรำคาญที่ใจไม่มีใครเหมือยีพอมีหมอมาต้องเป็นเพื่อนนะแกนิ่งเลยนะแกเลิอกอาะละว่าหมอนั่งเป็นเพื่อนเป็นชั่วโมงนะพอได้เวลาลงเวรหมอก็จะเดินน อ, อกเดินไม่กี่ก้าวแกขยับเตียงใหม่ หมอก็เลยบอกว่ายายอยากพ ย, ยายามมันดึงแล้วแต่คนเขานอนไม่หลับกันเตกันเดียวพรนี้หนูไม่เลียยายใหม่ให้แกเชื่อนะสิ่งที่หมอทานเนี่ยนะไม่ได้ใช้ไม่ได้ทําันธนการกันเลยแต่ใช้ความรักให้ความเป็นเพื่อนเพราะคนไข้เนี่ยบางทีเขาทุกเนี่ยไม่ใช่เพราะเขาครบเจ็บกายแต่กาทุกใจ ยม า, มายนนะยมาพูดถึงเมื่อไหร่นะมีเวลาพูดถึงกีาทเท่าไหร่ฮะนั้นตอนที่เสด ง, งองนะจะมาพูดได้อีกนานมีได้งานเท่าไหร่ฮะอ๋ะอฮะเพราะว่า ย, ยไม่ต้องยืดฉันเพลงก็ได้แลที่เสดครึ่งก็ยังทันนะเนี่ยมันแสดงถีกความเมตตาของ ของของหมอนะให้ความเป็นเพื่อนคนไข้สุขดีขึ้นเนี่ยตอน น, ะอ น, นี้เมื่อมีใจให้คนไข้แล้วนะวิธีการนะจะช่วยคนไข้เข้าไปสงบได้ยังไงอันนี้เราตัดมาเลยนะถึงว่าคนไข้เนี่ยใกล้ตายแล้วนะในทาศาสนาเนี่ยท่านจะท่านจะพูดว่าเนี่ยมีแบบอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยที่แนะ น, นําคนไข้ใกล้ตาย ก็คือให้ระลึกถึงพระตนตรยัยระลึกถึงความดีที่ได้ทำรวมทั้งแนะนาให้ปล่อยวางปล่อยวางทรัพย์สมบัติปล่อยวางคนรักปล่อยวางแม้กระทั่งสวรรค์ว่าอยากจะไปชั้นไหนนะวางให้หมดนะจะไปสวรรค์ชั้นดาวฤกษ์ชั้นดุสิต นิมมานนรดีปริิมิตาวสัตวดีคงวางให้หมดนะสรุปง่ายๆคือเป็นสอท่านนะอาตมาสรุปว่าหนึ่งนึกถึงพระสองลทุกสิ่งนึกถึงพระลกทุกสิ่งคนที่คนแา่เรียตายนี่นะพอเราชวนเขนึกถึงที่เขาศที่เขารัทธานะถ้าเป็นชาวก็คือปรินิตราวนะัย จิตใจก็จะเกิดความอิ่มเอิบขึ้นมาก็าจะเกิดความรู้สึกมั่นคงมั่นใจมีมีเรื่องนึ่งน่าสนใจนะอันนี้อาจารย์พันชิตเล่าให้ฟังแต่กันชิตเนี่ยไปดูแลหลวงพ่อของตมารหลวงพ่อคำเขียนที่หลงพาอจุฬาเมื่อศตวรที่แล้วถ้าเป็นมาเรียนทั้งแรกกลางถึงก็มี โยมานิมนต์ท่านเนี่ยไปรับสังคทานจากแม่เขาที่กำลเงินตายอยู่ในตึกเดียวกันท่านไปรับสังคทานเสร็จก็เห็นคนไข้เนี่ยอาการกระตุกกระตุกสัญญาณชีพสูงขึ้นลงเร็วมากท่านอยากจะช่วยก็เลยถามประวัติเล็กน้อยนะจากลูกก็ได้ทราบว่าแม่เนี่ยชอบใส่บาตรวันพระท่านก็เลยบอกคนไข้เลยนะโยม วันนี้วันพระนะเตรียมไปใส่บาตรกันนะไปที่ครัวนะคัดข้าวใส่ขันนะ่ะเตรียมของค่ายพร้อมอาหารหวานทาวดอกไม้ทุกเทียนด้วยจะไปใส่บาตรกันพอผู้เรื่องใส่บาตรนะอาการกระตุกนี่เริ่มสะดุดเลยนะกระตุความการกระตุกน้อยลงนะแต่คนไข้เริ่มพนทมมือ คนไข่เนี่ยโค ม, มา่านะไม่ตอบสนองกับลูกเลยนะแต่พอพูดเรื่องพระนะพูดเรื่องใส่บานะแกพนมมือเลยนะเอาเสรียามหนึ่งทันพรานมาถาเสริยามเตรียมอาหารเสรียามเสร็จแล้วนั่นไปที่หน้าบ้านซ้ายมือเห็นพรนะไหมใส่หัวขวามือเห็นพรนะไหมเพียงหน้าเพราะพระเนี่ยมาทางขวามือเป็นประจำเอาพระมาแล้วนั้นท่ากกับพระเลยนะใส่บาสนะใส่บาตตักข้าวกับข้าว ดอกไม้ทุกเทียนอ่ลูกเึงไปแล้วลูกที่สองท่านก็าพาไปเรื่อยๆนะคนไข้ก็นอนตามนะตอนนี้เนะี่ยบอกว่าเลิกกระตุกแล้วพน้องมืออย่างเดียวนะพราใจตอนนี้เนี่ยนึกไปถึงการใส่บาใส่บาตรครบหกลูกแล้วใช่ไหมอา้าวปวดน้ำนะท่านก็สวดนิะถาคนไข้ก็จินตนาการว่ากำ ล, ลังกำลังกบปวดน้ำรับพอไม่พอนะ ไปเยี่ยมคนแปพาคนไข้เนี่ยไปกราบหลวงพ่อทองที่วัดไตรมิตรว่าของยายจะอยู่แถวนั้นเถาแถาสำเพง็งเยาวราชน ะ, ะกราบหนึ่งกราบสองกราบสามนั่งภาวนาพุโทโธท่านก็พาเสร็จนะนำหายใจเข้าพุทหายใจออกโคธอาการกระตุกขอไข่นี่นะลดลงสัญญาณชีพเนี่ยเห็นเลยนะมันมันไปมันมันล้อสอนคล้องกับการ นำภาวนาพุาโทโธครัะแต่แล้วก็ค่อยลดลงลดลงสัญญาชีว์ค่อยลดลงลดลงลดลงจนกระทัง่งแบนลาดไปมันตรงข้ากับตอนที่ก่อนหน้านั้นที่มีอาการกระตุกนะซึ่งถ้าว่าตายไปตอนนั้นก็คงจะตายไม่ดีนะเพราะว่าจิตเนี่ยยังเป็นทุกข์คงจะกังวลในสักอย่างแต่พอนอนใจได้รู้ถึงการใส่บาตรลรู้ถึงการได้สวดมนตร์ แล้วก็ชวนนั่งสมาธิในจิตสงบก็ทำให้พอสัญญาณชีพนะเป็นศูนย์เนี่ยก็ชั่วไปดีอันนี้เป็นวิธีการหนึ่งน ะ, น ะ, นะเวลาเราจะชวนคนใกล้ตานี่ยจะชวนเขาถวายสังทานนะชวนเขาใส่บา ก็จะใส่บาตรเป็นประจำแต่ตอนป่วยเนี่ยใส่บาตรไม่ได้ก็ให้จินตนากาว่าใส่บาตรทุกเช้า <c oughs> ตัวอยู่ที่ตัวอยู่บนเตียงนะ <c oughs> ว่าใจใส่บาตรได้ <c oughs> หรือถ้าเกิดคนนี้ตายเนี่ยก็ชวนเขารับไตสรณาข่มพุทธทางสรณะชามิธรรมังสรณะชามิสังฆังสรณะชามิชวนเขารับศี อันนี้ก็ช่วยทําให้คนไทขเนะรู้สึกว่ามั่นคง ม, มั่นใจนะว่าไปดีจิตเนี่ยมันรเลึกถึงสิ่งที่เรื่องเรื่ศรัทธาเนี่ยความทุกข์ความทรมานจะน้อยลงผู้เจ้าตรัสว่าศรัทธาจะทําให้เกิดปราโมทปราโมททาให้เกิดปิติปิติทําให้เกิดปสัสสธิปสัสสธิผ่านคลายและทําให้เกิดสุขแล้วก็สมาธิ เมื่อเราดถึงสิ่งที่เราศรัทธาเนี่ยทุกเวทนานจะน้อยลงเพราะว่ามันเกิดปราโมทย์ปิติประสทธิและเกิดสูงขึ้นมามันช่วย ล, ควลควดความลดความเจ็บความปวดได้ถ้าทำให้จิตเนี่ยสงบนิ่งได้อาจจะมีคำถามว่าบาควเนี่ไม่ไม่ค่อยเข้าวัดไกลพรางใเนี่ยทำอย่างไร ก็ช่วยในยความดีที่เขาได้ทำกันนะมีคุณุคณปู่คนหนึ่งแกเป็นมะเร็งลำไสนะ้แล้วก็สองเดืสุดท้ายเนี่ยแกปวดมากต้องไปต้องเข้าโรงพยาบาลเป็นประจําเลยมนะัต้องไปเยีอวยารักษาในทางเาความปวดเนี่ ย, เ, เ, ยเข้าเข้าออกอยู่หลายครั้งจนถ้าเดือนสุดท้ายเนี่ยมีหลานคนหนึ่งกาลังรอ ง, งานอยู่ก็เลยมามาเฝ้าไข้ เล้นหลายคนที้แปลกนะแต่ที่นั่งเล่นนอนเล่นโทรทัศน์อ่านาสจดพินแค่คุยกับคนไข้ถามประวัติของปู่ว่าปู่ตอนเด็กเป็นอย่างไรนะแล้วก็ตอนเป็นหนุ่มอย่างไรปู่แค่ก็เล่านะแล้วก็มีช่วงที่แกเล่าถึงว่าสมัยยังหนุ่มเนี่ยไปเป็นทหารรบในสงครามโลกที่หนึ่งสงครามโลกที่ ห, ห, หมันร้อปีที่แล้วนะ เรื่องทนิดขึ้นมา30ปีไปแล้วเป็ุ่นในสอกอเรตที่หนึ่งไทยเป็นฝ่ายชนะแกมีความภาคภูมิใจมากกลับมาก็รับราชการด้วยความซื่อสัตย์มีครอบครัวก็เลี้ยงลูกจนโตมีหลานก็ดูแลหลานแกมีความสุขกับชีวิตแกมีความภาคภูมิใจคุณไปคุยมาหลายก็เลยชวนใ ห, ให้ชวนคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องการปล่อยวาง หลัาจาคุยแล้วเนี่ยแกก็เลยเรีย ก, เ ร, ยกเรียกลูกหลานมานะสั่งเสียแกสบายใจแล้วไม่นานแกก็ตายแกตายแบบสมบเหมือนกับว่านอนหลับไปสิ่งที่ทน่าแปลกคืว่าเดินสุดท้ายนั่เนเดือนทีแกไม่เคยเป่ปวยไม่เคยเจ็ปวดเพราโรงพยาบาล เ, าเลยทันที่ก่อนหน้านั้นนี่จะปวดแกข้าเข้ า, ขาขออกนั่นแหละอันนี้ก็เป็นไปได้ว่าที่แกที่แก ไม่ปวดจะเป็นเพาแก ร, ารู้สึกมีความสุขใจจากการที่ได้รู้ถึงความดีที่แกได้ทําบางทีการชวนคนไทยคุยเรื่องสิ่งที่เขาภาคภูมิใจความดีที่ค่อยได้ปเะ็บเนี่ยมันช่วยเขานะทั้งที่เราก็รู้อยู่แล้วว่เราก็ทําดีอะไรบ้างแต่การที่สักถามแลวชวนเาคุยเนี่ยมันทำให้เขาได้รู้ถึงความดีแล้วก็จะภูมิใจนะทําให้จิตใจเขาจะอิ่มเอิบเกิดบิตนะิและมันสามารถทำให้เขาเนี่ยเกิดความสุข อันนี้คือสิ่งที่พยาบาลก็ดีหมอก็ดีหรือคนรนุญาต ก, ก็ดีเนี่ยสามารถจะทำช่วยใคร ไ, ได้ประการต่อมาคือช่วยเขาปล่อยวางนะอย่าช่วยคลายความกังวลกดเครื่องสิ่งค้างขายใจคนเราจะมีความกังวลนะมีสิ่งขัดข่ายหรือมีความห่วงอาอาไลนะ์เนี่ยมันตายไม่สงบนะบางคนตาค้างตายตาค้างก็โผล่ลูก ตัวลูกติดยาเหมันพี่ชายลูกยังเด็กสิบขวบบางคนเนี่ยมันมีรายหนึ่งเนี่ยแกล้งางไปเป็นสิบปีแล้วแล้ววันหนึ่งแกรู้ว่าแกคงจะอยได้ไม่นานก็เลยบอกลูกว่าอยากจะทาพิธายกรรมเวียกนายความมาลูกเนี่ยเห็นว่าเป็นลาวก็เลยไม่เรียกไม่ไม่เกียดที่ล้าอย่างนั้นเนี่ย อัคุณตาคุณลุงวันนี้แกก็ไปล้างตไตบอกว่าชอ็อกเส่นสองแตกเยอเท่าไหร่ก็ไม่สำเร็จสองวันที่แล้วแกก็ตายบอกว่าตอนที่แกตายหน้าตากันหน้านึงยคิ้วขอหมดเลยนะเหมือนก็แกมีอะไรที่ยังคาอยู่อาจจะเป็นไม่ได้แกหัวเรื่องพินัยกรรคนบางคนเนี่ยก็ยอมตายเพราะรู้สึกผิด ยังมีหัวหน้าเียเบาอีหนึ่งเนี่ยแกเป็นมเร็งปอดแล้วแกก็สัญญาณเอาย้อนอากาศก็แย่นะ ว, ว่าสุดท้ายเนี่ยช่วงสุดท้ายในยสัญญาชีวแกอ่อนลงไปเรื่อยๆแต่แกไม่ยอมตายนะตาแกค้างแต่แกเปิดจกนกระทั่งเหมือนรุ่น้องรุ่นน้องคนหนึ่งมาเยี่ยมแกแกรวบลงมกำลังแล้วก็ เคยปากขอโทษรุ่นน้องเพราะว่าเคยทำอะไรไม่ดีกับเธอไว้เพราะไปเข้าใจว่าเธอเป็นกิ๊กของกับสามีแต่ตอนนี้เข้าใจแล้วว่าความจริงเป็นอย่างไรก็เลยอยากจะขอโทษรุ่นน้องคนนั้นก็ก็ดีนะก็ให้อภัยแล้วก็บอกว่าู้ไม่โกรธถือโทษพี่เลยนะเข้าใจพี่พอแกได้ย่นเช่นแกก็สบายใจแกก็ปิดตามแล้ววันนั้นแกก็ไป นคนที่มีความผงะอะไรมีความค้างคาเนี่ยมันจะแสดงการหลายอย่างนะเช่นตาค้างกระสักรสายบางทีก็มีน้ำตาไหลอย่างลูกของเพื่อตามาคนหนึ่งเนี่ยเป็นหลานเพื่อหลานเพื่อตามาคนหนึ่งเนี่ยแกอายุ25ขับรถชนต้นไม้สมองตายมาที่โรงพยาบาลศิริรา เวลาแม่มันเยี่ยมนะั้นแกจะน้ำตาไหลเฉพาะน้ำตาไหลกับแม่ก็เลยคืยกันว่าเป็นพ่ออะไรแม่ก็บอกว่าเนี่ยตอนที่แกเพิ่งจบใหม่แกบอกว่าแกจะหาเงินมาส่งเสียน้องแกรัดปา ก, กับแม่แต่แกไม่ทันจะได้ส่งเสียน้องแนละ้วเพิ่จบหม่ใหม่ก็เป็นอย่างนี้สซะละก็เลยแนะนําแม่เป็นให้ไปคุยกับคนไข้ว่าไม่ต้องห่วงแตนะแม่จะดูแลเรื่อง ค่าใช้ใจ่ายจะส่งเสียน้องให้เองเขาพูดกับลูกนะั้นบอกว่านั้นตายแกก็หยุดไหลนะแล้วแกก็เริ่มมีอาการตอบสนองกับเครื่องดีขึ้นหน่อยแลว้ววารุณขึ้นวรุขึ้นแะกองไปเอาเป็นเนี่ยเวลาเราเวลาเจอคนไข้แบบนี้เนะี่ยเราต้องดูว่าเขามีอะไรที่คลางสายใจรึเปล่าอันนี้พรยาบาลทำได้นะพรยาบาลทำได้พยาพยามพยายามที่จะ สอบถามและช่วยทำให้เขาคลายความอาลัยหรือว่าให้ปล่อยวางสองอย่างนี้เป็นสิ่งสำคัญนะชวนให้เขานึกถึงพระแล้วก็ชวนให้เขารักทุกสิ่งนะไม่ว่าสิ่งที่เขาไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สมบัติการงานหรือว่าคนรับ บางรายก็ดูแปลกนะมีคุณลุงคนหนึ่งแกเป็นคนธรรมะธรรมโมมากแกชอบเป็นเจ้าพิจารณาชวนคนนะไปทำบุญทอดกรตินทอดพ่อปา่าสร้างโบสถ์สร้างวิหารในวัดไกลๆวัดชนบุแค่ทั้งที่มาเป็นสิบ0ปีแล้ววันหนึ่งแกเป็นมะเร็งมะเร็งก็ลามรูกเร็วมากจนท่านแกป่วยแล้วก็ระยะสุดท้าย ตอนแกแกตายนี่ยแกมีการกระสับกระสานรู้เนี่ก็เห็นว่าแกเป็นคนธรรมะทมโวถ้าได้ฟังเทศธรรมพระสวดมนต์เนี่ยน่าจะสงบแต่พวกก็ไม่ให้ฟังเทศธรรมพระสวดไม่สงบไปนะก็แปลกใจจนกระทั่งเพื่อนสนิทมาเยี่ยมพอรั่วเกิดอะไรขึ้นก็ไปพูดข้างหูนะว่าไอ้บัวที่สร้างไม่เสร็จไม่ต้องบ่วงนะพวกเราจะช่วยสร้างให้เสร็จ รากว่ามันไปนโดนใจนะแกแกมึดกระสับส่ายเลยน ะ, สะแสดงว่าแสดงว่าแกแกมีความทุรนทุนทนรายแกบั้นะเพราะแกปวงเลื่อนโบนให้การสร้างบนดวยของดีนะเป็นบุญบุศลแต่ว่าต้องวิจารปล่อยวางเยเพราะถ้าใกล้าตายต้องปล่อยวางทุกอย่างแล้กรทั่งไอความดีที่ได้ทําหรือความดีที่อยากจะทํกทาท ก, ททก็ต้องปล่อยภารกิจที่ยังทําให้เสร็จก็ต้องปล่อยวางนกัน อันนี้เป็นเป็นแนวทางคร่าวๆนะในการที่จะช่วยทำให้คนไข้เนี่ยเข้าไปสงบบางทีเนี่ยคนไข้ก็พร้อมนะแต่ว่าญากจะนไม่พร้อมยาติะนไม่พร้อมมันก็เป็นการยื้ยื้อคนไข้เอาไว้มีคุณยากเพงอายุเนะจ็ดสิบนะป่วยที่โรงพยาบาลแล้วกูใจก็หยุดเต้นปั้งขึ้นมา แกก็ไม่พูดเลยมันก็เป็นผักแกเป็นคนที่มีน้ำใจมากจะมีเพื่นบ้านมาเยี่ยมตลอดเวลาแต่ละคนจะพึ่งคลายกันนะให้หายไวๆนะหายไวท่านไปกลับไปบ้านไปเที่ยวไปเล่นกันนะไปคุยกันนะแต่แกก็ไม่ตอบสนองเป็นเดือนนะวันหนึ่งลูกชายเนี่ยซึ่งดูแลแกมาตลอดเนี่ยพลิกตัวแม่เห็นน้ำตาไหลแกสมอนใจก็เลยพูดกับแม่ว่าแม่แม่เหนื่อยแม่ไ ม, ม, ม, ม่ทรมานไหย แม่เนี่ยแม่ทรมารเนี่ยแม่ไปได้เลยนะไม่ต้องห่วงผมนะแล้วก็ชวนแม่สวมดมนต์นั่งสมาธิซึ่งทําเป็นกิติวัตรแต่คราวนี้เนี่ยทําไปได้ห้านทีงาที่ของแม่ก็แบนล่ลาบไปไปลว่าอะไรฮไปนะแม่เนี่ยอาจจะอยากจะไปเต็มทีแล้วแต่ว่าเป็นห่วงหรือจะกลัวว่าเพื่อนบ้านเนี่ยอาจะเป็นทุกข์เนก็พยายามยืดออกไปแต่พอรู้ให้ใคเขียนแแก่พร้อมไป บางีคนไทยเป็นอย่างนี้จริงๆนะไม่ไม่ยอมตายจนกว่าจะได้ไฟเพียงอาจารย์พระวังโสเนี่ยเคยไปเยี่ยมอาจารย์ะรวังโสเป็นพระเป็นพระเป็นพระที่ ท, ที่ไปสร้างวัดที่ออสเตรเลียนะไปเยี่ยมคนไทยคนนึงนะแกชิสตสตีเป็นหนุ่มเลยแก่อ แ, แก่มีปัญหาเรื่องมะเร็งนะแล้วพอแกรายสุดท้ายนี่ยแกไม่ยอมตายนะท่านพระวังโสไปเยี่ยมเนี่ยแล้ ก, แลก็ถาม ถภรรยาว่ายอมให้เขาไปหรื อ, อยังอันุญาตใ้เขาไปหรื อ, อยังภรรยาไม่ตอบนะภรรยาขึ้นเตียงแล้วนะ้ก็เป็นกอนเข้าไว้แล้วก็พูดกับข้างหัวว่าสตีฟฉันให้เธอไปได้แล้วนะตอพูดเท่านี้นะคนไข้หัวใจืีเต้น คือที่คนไข้เนี่ยเขา้ายายมอยู่เพราะเขากลัวว่าคนรั้งเนี่ยยังทำใจไม่ได้ก็พยายามอยู่จะไม่จะไม่ยอมตายแต่เวลาตาที่คนไข้เขรู้สึกว่ายากเนี่ยคนรั้งเนี่ยพร้อมที่จะให้เขาตายเขาไปทันทีเลยนะเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยเมียสตีมเนี่ยบอกสตีมว่าเนี่ยสตีมฉันให้เธอไปได้แล้วฉันตอนนี้ให้เธอไปแล้วนะสตีมไปเลย อันนี้มานทีเราแนะนำนะเราแนะนำญาติได้นะสรุปก็คือว่าการดูแลการเยียวยาทุกประสุดท้ายเนี่ยนะการให้ความชืินจิตใจสำคัญนะและเราสิ่งที่อย่างน้อยที่เราจะทำได้คือการมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับคนไข้ไม่ใช่ดูแลแค่ทางการนะแต่ใส่ใจความรู้สึกเขาด้วย ใส่ใจอย่างไรใส่ใจด้วยการมีเวลาให้เขามีเวลาพูดคุยกับเขาแล้วก็พยายามเข้าใจความรู้สึก ข, ของเขาเพราที่คนไข้เนี่เขาเขาต้องการคนที่เข้าใจเขานะเคยมีแนละ้วมีคุณลุงคนหนึ่งนะแกะป่วยนะทแกป่วยทวารมากเลยลูกก็อยู่ข้า ง, างก็ไม่ได้ทำอะไร ลองที่คุณลุงแกร้องโกลนครั้งก็มีตอจิ ต, จตอ า, าสาสองคนเนี่ยเข้าไปเยี่ยมอิศอาสาเนี่ยไปถึงก็แนะนําตัวว่าเป็นใครและประโยชน์แรกี่แกถามเนี่ยก็คือถามว่าคุณลุงค้ที่คุณลุงว่าปวดเนี่ยปวดอย่างไรคะโอ้ยคุณลุงแกชดใจมากเลยนะแกบอกไม่เคยมีใครถามประโยชนี้เลยลูกก็บอกว่าให้อดทนหมอพยาบาลเขาก็ให้แต่ยาไม่คุยเลยแต่สิ่งที่ คำสา่งี่พูดคือมันสะท้อนถึงความพยายามที่จะเข้าใจความเจ็บป่วดหรือความรู้สึกของคนนู้คนแค่ต้องการเนี่ยต้องการคนที่เข้าใจความรู้สึกของเขาแต่ส่วนใหญ่จะไม่มีใครที่จะพยยเข้าใจมีแต่แนะนําสั่งสอนเช่นรบอกว่าให้พ่อนี่อดทนให้เข้มแข็งนะอันนี้เพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราเนี่ยพยายามเปิดโอกาสให้ ให้เขาได้พูดได้คุยได้เล่าถึงความรู้สึกซึ่งต้องอาศัยการสังเกตด้วยการสังเกตความสูงบนไข่เปานสำคัญนะฮะอาตมาเคยอาตมาจัดอบรมประชาชนตั้งแต่สมบรณเนี่ยตามโรงพยาบาลต่างเยอะเลยมีคราดึงไปอบรมแถวในจังหวัดนครพิศานล้วก็บอกพยาบาลว่าเมื่อไปเยี่ยมบนไข่ให้เป็นจิตอาสานะให้ถอดหมวกออกถอดหมวกพยาบาลออกถอดหมวกหมอออก ไปอย่างจิตอาสาไม่ต้องไปดูชาร์จนะไม่ต้องไปถามความดันไม่ต้องไปจับชีะจรคุยกับเขาก็สีส่ิบาทีก็กลับมาก็มีพียรบาลหนึ่งมาเล่าว่าคนไข้ที่เธอไปเยี่ยมเนี่ย่อาเหงาวิธียา์บารก็เลยถามว่าแล้วตอนเป็นเพยาบาลเนี่ยเคยสังเกตไหมว่าเองเหงาเคยสังเกตความเหงาของคนไขนะ้เธอตอบ่ไม่เคยสังเกตเลย ไม่เคยสังเกตคนไข้ริ้หนาวจนกทั่งเป็นจิตอาสาจนระทั่งถอนหมู่เพียรบาลถึงสังเกตคนไข้นิ้หนาเป็นพ่อะไร้ซากนะเป็นพราะเวลาเป็นเพยรบาลเนี่ยจะสนใจเรื่องร่างกายสนใจแต่ทำอัตกการสนใจกับการอ่าตูนดูชีะจรมันมีโปรโตโคอลที่กําหนดไว้ว่าเนี่ยนี่คือหน้าที่เพียรบาลก็เลยไม่สังเกตนะว่าเขารู้สึกหนาวอย่างไรบ้างแต่พอถอนหมู่เพยาบาลบอก ไม่ต้องสนใจเรื่องร่างกายเนี่ยใจมันจะเริ่มรับรู้ได้ว่าเมื่อสบตาเขาจะมเห็นความเงาอาตมาเชื่อเนี่คือสิ่งสาคัญ น, นะที่เพียร์วัตต้องมีคือยางเข้าใจความรู้สึของเขาซึ่งต้องอาศัยการสักถามและการสังเกต ด, ด้วยนะอย่าเป็นแค่เรื่องการถ่ายตัการกับร่างกายและทั้งหมดที่อาตราพูดมาเนี่ยนะกับคนไข้โคม่า คนไข้ที่เป็นผ่าก็คนดถากับเขาเหมือนเขาเป็นเขาเขายังรับรู้ได้เพราะว่าคนคนไข้ที่เป็นโค ม, มานี่เขารับรู้ได้นะฮะก็าา จ, จะได้ยินก็าา จ, จะเห็นแล้วบางอย่างก็เป็นเรื่องแปลงนะมีคนที่แก่แก่หมดใจหยุดเต้นกัทนทันรีบส่งโรงพงยาบาลขาที่กําลังช่วยชีวิตแก่ไว้เนี่ยแกบางต้องการสอดท่อช่วยใจใส่เข้าไปในปากคนไข้เนี่ย มีฟันปลอมถอนฟันปร อ, อ, ปรอมออกแล้วก็ใส่เข้าไปคนไข้ได้รับการช่วยชีวิตขึ้นมาจะอยู่โรงพยาบาลหนึ่งหนึ่งวันที่ในช่วงที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยวันหนึ่งคนไข้อย่างเพียร์บาลคนเดินผ่านมาคนไข้ก็ทักเพียร์บาลคนนี้ว่าคุณช่างมที่ถอดฟันปลออผมเขาเห็นได้ยังไงเราจะเราได้ยินได้ฟังเรื่องแบบนี้เยอะนะคนไข้ที่เขาเขาหัวาจะตื่นเต้นแต่เขาเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเขา เห็นหมอว่าที่มาราาักษาเขาหน้าตาเป็นอย่างไรสามารถจะบรรยายห้อง E.R. ไ อ, อได้ถูกต้องทั้งที่ตอนนั้นเนี่ยหมดสตดิหรือว่าสมองตายได้ซำเด็กคนหนึ่งอาย้เจ็ดขวเนี่ยจมน้ำยี่สิบนาทีมันหนาวมากนะเอาขึ้นมาเนี่ยหัวใจเองเต้นอยู่นนะแต่สมองเนี่ยแยกนะสมองบวมเลือกเป็นกลดตาเนี่ยม่านตาไม่ขยายม่านตาขยายไม่ตอบสองต่อแสง หมอก็บอกว่าทำอะไรไม่ได้สามารถทำ ม, มาเด็กฟื้นขณะที่เด็กกำลังคุยกับแม่อยู่หมอ ก, ก็เข้ามาตรวจคนไข้พอหมอกไปเด็กก็บอกแม่ว่าเคยเห็นตำรวจไอ้หมอคนนี้ตอนที่สลบอยู่เห็นได้ยังไงนะแา่ว่าหมอที่มีสองคนคนหนึ่งมีม น, นหนึ่งไม่มีมือมันจริงมดเลยจะเห็นได้อย่างไรนะนัอ้อันนี้มันเป็นตัวอย่างนะไม่มีกลายมัน ล่าสุดเนี่ยมีอาจารย์นัมโรเนี่ยท่านเป็นท่านเป็นพระชางเปรตท่านเล่าสัญญาของท่านยายท่านเนี่ยป่วยแล้วก็เป็นผักมาเป็นเวลาสี่ปีแล้ววันหนึ่งเนี่ยไม่คุยไ่แกไม่อบสนองอะไรเลยนะตลอดเวลาสี่ปีวันหนึ่งเนี่ยหมอพูดว่าเอายใจมีปัญหาจะต้องผ่าตัดถึงจะอยู่รอดได้ก็คุยกันในระหว่างรูปข้างเตียงนะ พูดกันอยู่นาเสวอแล้วลูกตัดสินใจว่าไม่ต้องทำอะไรเพราะว่าอยู่ๆเนี่ยยายเนี่ยคนไข้เนี่ยก็พูดขึ้นมาว่า thank you พูดแกับแม่ท่านอามารูปีเนี่ยพูดแค่ประโยคแค่คำเดียวคือ thank you thank you เรื่องอะไร thank you ที่จะไม่ยื้อเอาไว้แล้วหลังจากนั้นวันสองวันก็ตาย แสดงว่าแกได้ยินนะแกได้ยินไอ้ที่หมอคุยกันได้ยินที่ลูกเนี่ยประชุมกันแล้วก็ขอบคุณด้วยที่ลูกไม่ยื้อแกเอาไว้นะเพราะในเวลาเราเคนไข้จะ่ไม่ตอบสนองไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้นะเขาจะรู้แต่กาพูดไม่ได้แต่ว่ามีถึงจุดหนึ่งนะเขาก็ดูถอกมาได้มนว่าขอบคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ถือหลักว่าเนี่ยสิ่งที่เราเราทากับคนไข้ ปกติชั้นใดเนก็ควรทำกับคนไข้ที่ที่เป็นโคมาหรือเป็นผักชั้นนั้นนะแล้วเ็ประเด็สุดท้ายที่อยากย้ํารือว่าจริงๆแล้วคนเราเนี่ยนะเรื่องการตายเนี่ยมันตายสงบได้และวิธทีการถ้าเราได้ฝึกเอาไว้นะได้ฝึกจิตฝึกใจไว้เนี่ย การตายสมบเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเลยเทียตระพุ่ ม, มาทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องการที่แพทย์พยาบาลเนี่ยไปช่วยคนคไข้ในสุดท้ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเราเองเนี่ยถ้าว่าเราได้ฝึกมาอย่างดีเนี่ยบางทีการตายเนี่ยมันกามันเป็นการตายที่เหมือนกับว่าสงบแล้วก็ง่ายมากทีเดียวเราทำไได้ฝังเรื่องราวของอุบาสิกาท่านหนึ่งนะท่านคือท่านเชื่อผู้หญิงใหญ่กดำร ง, ง, งธรรมศาสตร์ เป็นคนเขียนหนังสือเรื่องธรรมารธรมปฏิธรรมาร ธ, มธ ร, รมปฏิบัติซึ่งคนไปเชื่อต้องนา น, นะว่าเป็นฝีมือเป็นงานเขียนของหลวงปู่มั่นเพิ่งเปิดเผยในเรื่องนี้ว่าเป็นฝีมือของคุณหญิงใหญ่คนนี้แหละามีความรู้ทางนั้นปริยัติปฏิบัติ ด, ดีมากเป็นวาสิ ก, กานะประมาณวิาพากสามเนี่ยสามีตายก็เลยบวชชีบวชชีต่อมาเนี่ยป่วยไม่สบาย หมอก็มาอาการเริ่มหนักนะั้นหมอก็มาตรวจหมอก็บอกว่ายังอยู่ได้นานแม่ชีบอกว่าคุณหมออย่ามาหลอกดิฉันแกร่วตัวเนี่ยจะใกตายหลังจากนั้นเนี่ยวันสุดท้ายเนี่ยแกร่วดจะไม่ไม่ไหวแล้วบอกว่าไปช่วยนิมนต์พระมาหน่อยพระที่รู้จักพอพระมานะก็ให้ก็ขอที่มนต์พระสวดมวนต์ ระบุชื่อเลยนะว่าบทให้สวดบทไหนนะบอกพระให้สวดบทไหนเนี่ยสวดเสร็จก็สนทนาธรรมกันสนทานาธรรมสักครู่เนี่ยก็บอกว่าจะขอกราบนะระหว่างที่กราบนี่ก็บอกว่าที่ฉันขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่กราบสามจบแล้วก็นิ่งไปเลยพระนี่ไม่รู้เลยนะว่าไม่เชื่อแล้วว่าตายไปแนละ้ว ยังสงสัยว่าตายแล้วหรือเนี่ยก็ยังกราบอยู่เลยนี้เนี่ยรักอยู่ในตายในท่ากราบก่อนจะกราบนี่ยังบอกเลยนะว่าที่ฉันขอทิ้งสังขารไว้ที่นี่เป็นการตายที่เรียกว่านุมน่มนิ่มนุ่มมากรูว่าความเข้มอาจารย์หลวงพ่อธรรมารเนี่นั้นทั้งวัสุดท้ายเนี่ยที่ท่านรอรับภาพเนี่ยเช้ามือเนี่ยท่านมีปัญหาการหายใจเพราะว่า ไอ้กรอเนื้อมันเล็งที่คอมันขยายตัวจนทั้งปีต่ำลงลูกศิษก็พยายามที่จะช่วยกันเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยฉีสเตรีรอยด์อะไรต่างเข้าไปมันก็ไม่ช่วยเหมือนว่าท่านรู้แล้วว่าท่านกำลังจะไปนะท่านขอเข้าห้องน้ำนะถ่ายหนักแล้วก็ล้างหน้าล้างมือแล้วขึ้นบนเตียงพอขึ้นบนเตียงลูกสิษก็อ่อมารวมมาตุ้มจะช่วยท่านดีนะ ถ้าลวกไม่ได้ผลแล้วนะท่านบอกขอปากกาขอดินสอขอปากกาขอกระดาษแล้วเขียนข้อความว่าพวกเราขอให้หลวงพ่อตายแต่ท่านเขียนหวัด น, นะยื่นกระดาษให้ลูกศิษย์ลูกศิษย์อ่านไม่ออกกอ็ช่วยท่านตอบสักพักเนี่ยท่านก็หลับตานะเดี๋ยวเท่านก็ขอพักนะก็คือหมดลม ที่เรียกว่าท่านเนี่ยรู้ตัวแทบจะตลอดเลยแล้วคนที่ไม่มีลมหายใจนะแต่ว่าสงบนิ่งมากเลยนะไม่ทุรนทุรายเลยของแบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้นะถ้ า, าได้ฝึกเอาไว้นะอันนี้ก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้สำหรับหนังสือ อ, อ, อ่านอนั้งอ่นังสือของผู้ถึงการเอายอยวาใสุดท้ายของพ่ อ, องพัอองชีอ่ะอามาแจก ด, ด้วยแต่คงแจกกับไม่ครบก็ ใครที่สนใจก็ข อ, ขอเชิญได้อันนี้ในกรณีนี้นี่คุณหมอคุณหมอมดนะคุณหมอซีเรียก็ท่านก็ได้มีส่วนช่วยนะส่วนได้ช่วยดูแลหลวงพ่อในเรื่องการดูแลระยสุดท้ายท่านก็อาจจะให้ความเพิ่มเติมได้ก็ขอสมมตในเวลาัราจะมาขอยุติเพลงตรนี้ไม่สั้ในคำที่นี้ครับคุณตา มีคำถามหนึงคำถามนะครับําถามเกียวกับเวลาท่านอาจารย์ะเรยเวลาั้นเองเห็นครับแสดงว่าทุกคนก็ดืนดังครับธมรอาจารย์นะครับหลายคนก็คงจะเข้าใจไม่พอาจารย์ก่อน